สัตว์มีเท้ามาก117ที่ชื่อว่าสัตว์มีเท้ามากได้แก่สัตว์จำพวกแมลงป่องตะขาบบุ้งขนพิกูุมีทายจิตจับต้องสัตว์มีเท้ามากที่มีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิกพิกษุคิดจะพาเดินไป ให้ย่างเท้าก้าวไปต้องอบัตทุลใจทุกๆ ก, ก้าวให้ย่างเท้าหลังสุดก้าวไปต้องอบัดปาราชิก